มงคลชีวิตมงคลที่เก้าวินัยที่ศึกษาดีแล้ววินโยจะสุสีขิโตเอตัมมังคลมุตตะมังการฝึกกายวาจา ชื่อว่าวินายวินัยที่ศึกษาวิดีแล้วชื่อว่าสุขสิทธิโตรวมความว่าการฝึกหัดขัดกลากายวาจาใจดีแล้วชื่อว่าวินัยที่ศึกษาดีแล้วประเภทของวินยัยการงดเว้นจากอคุสุลกรรมบทสิบชื่อว่าวินายของคฤรือหัด ได้แก่การเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักขโมยประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดสอเสียดพูดเพ้อเจอ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้ไม่พยาบาทปองร้ายและมีความเห็นถูกต้องตามธรรมเป็นมงคลเพราะนำมาซึ่งประโยชน์สุขในโลกนี้และโลกหน้าทำให้มีความประพฤติดีงาม การไม่ล่วงอาบัตเจ็ดกองของภิกษุมีอาบัตปาราชิกและสังฆาทิเศษเป็นต้นและการสำรวมในความบริสุทธิ์4คือปาติมโมกสังวร อ, อินทร์สังวรการประกอบอาชีบริสุทธิ์และการพิจารณาปัจใจสี่ทุกครั้งที่ใช้สอยชื่อว่าวินัยของบรรพชิตเป็นมงคลเพราะทำให้ประสบสุข ทั้งในโล ก, กียะและโลกุตระเมื่อตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ส <S <S <S <S ีดีแล้วก็จะบรรลุพระอรหัตได้เหตุผลของการบัญญัติวินัยการที่จะให้ความจริงของธรรมชาติหรือธรรมมีผลในทางปฏิบัติเป็นประโยชน์แก่มูชนในสังคมก็ต้องนำหลักความจริงคือ ทำนั้นมาจัดตั้งวางเป็นระบบระเบียบโดยนำเอาหลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นเรื่องของกฎแห่งเหตุปัจจัยหรือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นโดยเป็นเหตุเป็นผลแก่กันจากนั้นก็เอาหลักเกณฑ์เหล่านั้นมาวางเป็นกฎในหมู่มนุษย์การจัดตั้งวางระบบระเบียบในหมู่มนุษย์นี้แหละ เรียกว่าวินยัยวินัยที่ศึกษาดีแล้วจัดเป็นมงคลเพราะ 1. ทําทำให้เป็นผู้มีกิริยามารยาทงดงาม 2. เป็นผู้ก้าวหน้าไปในกุศ ล, ลธรรม 3. เป็นผู้อยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุข 4. เป็นผู้ไม่เปื้อนบนทินบาเพราะไม่ได้ทำ